พธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองมกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าขอบใจทุกท่านที่ได้มาช่วยงานวันนี้เป็นวันที่สอง มกราคมพุทธศักราช2557วันเมื่อวานเป็นวันปีใหม่แต่วันนี้เป็นวันที่สองแล้วงานของหลวงปู่ของเราวันพรุ่งนี้นะพี่น้องลูกหลานจะได้เคลื่อนย้ายศริระขององค์หลวงปู่เราไปสู่เมนดังนั้นขอบอกกล่าวกันให้ทั่วๆถึงเน้อลูกหลานนะเมื่อวาน คณะกรรมการฝ่ายพระสงฆ์ได้ประชุมหาหรือกันในที่ประชุมว่างานของพวกเราเนี่ยอะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่งานของหลวงปู่เราก็ได้เสนอขึ้นมาในที่ประชุมว่าแสแลนสแลนคือผ้ากันที่พวกเราเห็นผ้ากันยาวๆเพราะว่าพี่น้องประชาชน โรงโรงทานทั้งหมดเดี๋ยวนี้หลงทะเบียนมาแล้วเจ0ดร้อยกว่าโรงแล้วก็โรงทานจะอยู่รอบนอกในเมื่ออยู่รอบนอกในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมกรามันหนาวเหน็บแล้วก็มีลมร้วยในถิณนี้แถบนครพนมมุกดาหารถ้าหน้าหนาวจะมีลมแรงมากเพราะนั้นพวกลูกหลานมาจากทินอื่นมาจากภาคกลางภาคไหนๆมาตั้งโรงทาน แต่เขาคงจะไม่ได้เตรียมที่กำบังมาแต่เรามาปล่อยให้อยู่ตามลําพังถ้าเช่นนี้เสียดายของที่เอามาไว้ถ้าจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้มันหนาวคนะณะกรรมการเลยมาคิดกันว่าน่าจะมีะแสแลนผ้าแสแลนล้อมรอบเป็นที่กำบังแดดกำบังหนาวกำบังลมด้วยก็เลยเมื่อวานนี้ก็ได้ ตกลงกันว่าจะเอามาประมาณสัก40 3สามสิบหรือ40หมวนคงจะมาได้มาครบประมงแล้วก็วันนี้ก็อันที่สองก็คือเรื่องถุงขยะที่คณะกรรมการได้สั่งมามายังมาไม่ถึงแต่วันนี้ก็ได้มายื่นตัวหนังสือให้หลวงพ่อดูแล้วมาแล้วประมาณ 3,614 กิโลกิโลก ร, รมัมก็สามตันกว่า ที่จะเอามาใช้ยังที่งานของเราก็ยังสองอย่างนี่แหละที่ยังยังขาดขาดอยู่แต่ส่วนอื่นก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแหละแต่เดี๋ยวนี้งานของเราทุกอย่างก็พร้อมประมาณแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นออีกไม่นานก็คงจะบริบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็ยังนกขัดจะดีลิงที่พี่น้องเทาทางาพูดที่นำมากำลังติดตั้งอยู่แล้วก็ สุ่มดอกไม้พี่น้องจากชาวจังหวัดสมุทรปราการก็กำลังทําอยู่คิดว่าก็คงจะทําเสร็จตามกำหนดน ะ, ะคือตั้งใจว่าจะให้เสร็จตามกำหนดเพราะนั้นงานของหลวงปู่ของเราก็คงจ ะ, ะเรียบร้อยราบรื่นแต่ถึงยังไงก็ข อ, ขอบอกกล่าวกับคณะสัตยาธิรมุ่มลูกหลานทุกคนวันที่ห้านละเป็นวันที่เป็นวันสุกดิบ เป็นวันที่พระราชทานเพลิงศรีระของหลวงปู่ขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะมาพร้อมเพียงสมัครีกันต้องการความพร้อมเพียงสมัครีมากราบคารวะศรีระขององค์หลวงปู่ของเราเป็นครั้งสุดท้ายเอาต่อในไปหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากในวันนี้นะพอหลวงพ่อพูดมาหลายวันแล้วแต่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็คงจะได้พูดอีกจากนั้นก็คงหลวงพ่ อ, องคงจะหยุดพูดทีนี้ พูดวันที่สามทัดได้ฉันจังหันที่นี่นะแล้วก็คงจะหยุดาจากนั้นก็ลูกหลานเนย เ, เมื่อทําบุญทําทานเสร็จแล้วก็นะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านกลับเรือนของเราแต่หลวงพ่อก็ทิ้งวัดทิ้งวัดมานี่ยกับ เ, เป็นเดือนกว่าละมั้งทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาเพื่อมาทาําการจัดงานเพื่อบูชาขอบคุณหลวงปู่แต่ก็เป็นที่พอใจ คณะสงฆ์น้องนุ่งทางหลายพระสงฆ์ทั้งหลายจากวัดต่างๆก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมอ่าแล้วก็พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นพวกเราเรียกร้องเรื่องอะไรก็ให้ความร่วมมือ อ, อ, อย่างดีอีกเหมือนกันเพราะนั้นงานหลวงปู่ข่าวนี้ใครๆก็อยากจะได้บุญกับองค์หลวงปู่เพราะนั้นพวกเราได้เสียสละเวลําเวลาเสียสละหน้าที่การงานเสียสละทุนทรัพย์ สติปัญญามาทุ่มเทใส่งานของหลวงปู่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นรูปธรรมเห็นไหมบริเวณกว้างขนาดไหนฟางปูเต็มไปหมดเราหาดูได้ที่ไหนในงานต่างๆเห็นหมงานของหลวงปู่เรากับพี่น้องประชาชนทุกหมเหล่านี่นะเพื่อจะให้คนทางต่างถิง่นต่างแดนมาได้นั่งสบายๆมีเฟืองนั่งมีเฟืองปูนอนอีกต่างหาก เพราะหน้านี้เป็นหน้าเฟืองหน้าฟางพวกเราก็ได้ช่วยๆกันทั้งลูกหลานทั้งหลายหมู่บ้านมาร่วมกันจัดเฟืองมาแล้วก็มาปูอีกต่างหากจนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เห็นหนะลวงพ่อเห็นแล้วก็เออปลื้มพอใจในผลงานของลูกหลานของพระน้องหนุ่มทั้งหลายที่มาช่วยงานทุกๆ ก, กลุ่มทุกๆหมู่ทุกคณนะขอหลวงพ่อเองขอบ ใจขอบบุญขอบคุณ ท, ทุกทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยพระสงฆ์น้องนุ่งทางหลายเนี่ยนะได้เสียสละเวลามาทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วกับพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันงานของหลวงปู่นั่นะวันที่ห้าจะเสร็จสมบูรณ์ละสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนล้วพวกเราจะเห็นในวันนั้นล่ะขาดตกบกพร่องอะไรเหมือนกับ นักมวยชกมวยนะซึ่งเราจะเตรียมดีฟิตดีขนาดไหนแต่เราจะเป็นฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะวันที่ห้าเป็นวันชี้ขาดนะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละงานของหลวงปู่ของเราก็วันที่หนะ้าะเราจะขาดเหลือขาดตกมกักๆน้อยแค่ไหนแต่กระทาใจไว้เลยงานทุกอย่างจะให้บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเป็นไปไม่ได้เราต้องคิดไว่ยอย่างนั้นแต่ก็พยายามทําให้ใกล้เคียงที่สุดบริบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดอา่า แล้วก็ให้สมบูรณ์ที่สดุดเนี่พวกเราคิดนะแต่ส่วนออกสมสุดขนาดไหนวันที่ห้าเป็นเป็นวันที่ชีา้าศเอาตอนนี้ไปประสงค์จะอนุมัธนาให้พนะรนัเดเนา